มันลุกไม่ขึ้นก็ไม่ลุกว า, างนี่มันเป็น่านั้นก็รู้เรื่องมันอย่างนีน้มันลุกไม่ขึ้นก็ทราบมันธรมรมดาธรมรมดาเนี่ยเวลานี่มันเป็นอย่างนั้นอาการการกระทำมีแสดงอากา ร, รอย่างนี้เนี่ยเขาจะทํามันหนึ่งของสติปัญญาพี่นะมันเป็นอย่างนี้ก็รู้เนี่ยเขาจะทํามันหนึ่งกับทุก การรใกล้เป่ยวยมสดวกสบายท่านี่า็เป็นสจรนึจอันน้องเองที่สจรร ม, ม, รรรมอันนี้นรรร ม, มนนนนันก็ดูด้วยกันนะธาคาระตืขึ้นมาจริงๆนั่นม่มตืนที่เราศึกษาอย่าง่งของโลกมันฮือนาไ ม, ม่บายนิดนึงยุ่งใดเนี่ยคนจะมายุ่งราลำบีเราลำคาญ คนเรื่อนั้นมันเป็นรุ่นหน่ะมันมาช่วยกันให้ตายไม่ใช่มาช่วยการหายใจยกเกีนนเ่ยวใครผมเล่ามันเพื่อการนั้นของโลกเขาเป็นอย่างไงเป็นไงหลวงพ่อเป็นไงอาจารย์เป็นไงนี่ตะโกนกันตร ง, งนั้นขันมาแล้วก็เลยพูดด้วยนั่งด้วยพูดด้วยคนนั่งนี่นั่งคุยเนี่ยคุณมาคุณทาไงแล้ควนคนนั่นมาคนนี่มาคนนั่ น, คน น, นคนนั่นนาทีคนนี้ก็นี้นาทีบวกเราเท่าไหร่เราคนเดียวสู้ นัเ <t holders> ี่ยที่ว่ามึนก็รีบช่วยอระวังนั่งขาอย่าลำพังเราเองเราสบายไม่ต้องมีอะไรของเร่องัไม่้ไปไม่ไ้อม่ไปอย่างเราเองแบบสบายี่ยธรรมดาแบปกติทำเรื่องของความกิเป็นลุกไม่ขึ้นหรือจะลุกลุกขึ้นลุกได้คอยลุกนั่นทำไมได้ของไม่้ป กินไม่ได้ก็อยากกินเวลากินไม่ได้ก็กินแน่มันทุนไม่ได้มันจะไปต่อไปเพราะมนไม่ได้ว่ายมันมันต่อไปไม่ได้แล้วลูกมันลูกอย่างนั้นเป็นปกติการศึกษามาจากไหนความกินมันบอกอยตลอดเวลาความคิดกับความคิดเมืองลูกอันนี้ตลอดเวลาไม่ทราบอะไรจะสงสัยอะไรมันไม่มีสงสัยอันนี้มันก็เป็นปกติทุนมันจะ ใ hey. well, นอะไลายอย่างนี้ mm. มันก <gives> ็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติทั้งมันเดินอย่นั้นเราไป ร, ปรู้รู <Net> ้จักอย่างปกติของมันปกติของความจริงนี่เรามันละลังลงความสัมพันธ์มาวุ่นมาวายโลกมันไม่หาความพอดีไม่ได้นี่มันมีความโงเมื่อไรมันวุ่นหนี่ันมาฮารอนนี่มารู้เจตนาว่างดีเกความจริงแล้วก็คือวุ่นมันก็เพิ่มความ ให้สะดวกสบา ย, น, า ย, ย, น, น, น, ย น, นี้ น, น, นาโดยแล้วันเมื่อวานคืนเมือวันไหนเอาปัญญาความ้าเราไปใช้สปเลยไ ป, ปกวดละเอียดรอที่โรงพยาบานกคงครมฐานได้สั่งเขาจัดห้องจัดอะไรๆไม่เล็กน้อยแนละ้วประมาณอยู่น่อมั น, นรตรงจไปตรวจไปเช็คให้ละเอียดรอว่าโน่นไหนเวลานีมันปกติหร้อ เล่นก็ไม่ได้เรื่องอะไรตอนปกติเคยเช็คมาหลายครั้งแล้วคือเกี่ยวเขาลงหัวใจถ้ามันแสดงงั้นเออต้องได้แน่แน่บน่ขณะที่มันกําลังเป็นนั่นมันไม่ต้องได้ไม่สงสัยหรอกโลกคนนี้มันเวลามันปกติมันก็เหมือนไม่มีอะไรหนีมันธรรมดาธรรมดาบุญอ้อมจะเป็นก็ปลุกปรับของมันขณะที่มันปลุกปรับเนี่ยอ้าวปวดอะไรได้ทั้งนั้นรู้เลยอืมแต่เรายังรู้ มันไม่สะดวกของการนอนการที่มันแสดงตัวมันเป็นยังไงขนาดมันควจะล้มทั้งยืนมันไม่เป็นหมากขนาดจะล้มมันจะนจะล้มได้ยังไงอย่างนั้นมัถ่านไปเห็นไหมอะไรขัดข้องอย่างวันที่เจ็ดที่วานนั่นเาถ่ายมันไปด้วยเวลามันปกติมันก็เหมือนคนนอนหลับมันเงียบถ้าเอาอะไรมาถายมันเลยแบบนี้ อันนั่นมอรู้พาไปฉายไปเลยไม่ได้เรื่ออะไรไปอย่างนั้นเนี่ยผมเป็นอะไรให้ก็บอกส่วนเอวนี่ใครก็รู้เจอกระดูกมันงอกออกไปชนกระดูกข้างบนมันเปะทับเส้นเราเองไม่ใช่หมอเราพอรู้ดูเลยมันมีกระดูกงอกขึ้นไปชนก็กระดูกข้างบนกระดูกที่ข้างนะมันนี่มันชนมมเขาบอกว่ามันมีเส้นนี่ตรงนี้ เวลามันกระทบกันนิดนึงนั้นมันก็เคล็ดยี่ออกได้ต น, นทกอันนี้นราไม่เถียงมองดูในเชล็ดเออันในอไในอนก้กระเลยทีายมันไ้่ก็เคล็ดครับอีกทัวจะให้ผ่าตเนี่ยตาตรงนี้ออกหายเลเราเฉยไปเราไปดูตดตรงนี้ตัดมั น, น, นดูลองไปเงสย บ, บายนนลย ผ่าตัดที่มันจะลุมยืนลงบางนยุ่งหมดเลยนะเดีน๋นั้นมันรุนกว่เดิมอีตืนมาอยู่นี่คนเดียวยาคนมาเห็นสามยาอะไรันี้จนลำคานทนี่ดุคนเดียวยาหม่ได้เพราะว่ามันชนะกินยาเลยนะนสนใจตรนี้นันว่ามนู้จะจทา ทุกคังมันเยอะจัดจังสมุทัยเยอะจัดจังทุกทุกทางกายอย่างทุกทางใจอย่างทุกทางกายมันก็มีสมุทัยของมันแต่ไม่ใช่สมุทัยที่เป็นทพิษคือเป็นปัจจัยอันหนึ่งเป็นสาเหตุที่มันเกิดทุกปันหาเช่นเจบท้องถ่ายท้องอะไรเป็นต้นเหตุมันอ่ะเราจะเรียกว่าสมุทัยนี้มันก็นได้ เปนฉันอาหารแสลงมันก็เป็นสาเหตุที่จะให้ถ่ายท้องได้แต่ น, นี่ไม่เป็นเยลยท่านจไม่อยากว่าสมุทัยนี่ถ้มในอยากรับธรรมชาติมันก็บอกอยู่นะสมุทัยทางกายสมุทัยทางจิตสมุทัยทางจิตก็คือนันทีิราคาสา ร, ระตาตตะปายนานันน้เสื้อเยื่อพิรามาตันหาเพราะวตันหานี่สมุทัยทาง่างใจ สมุทัยทางร่างกายเราเป็นอย่างผมโก่งเนกะ็บใบมาเนเป็นสายหตุให้มันขันยอกนั่นก็เรียกสมุทัยสมุทัยประเภทนี้ไม่จักวะเป็นที่เอให้เกิดขึ้นสมุรยักษาเหตุให้เกิดขึ้นที่นอกสาเหตุให้เกิดเนี่ย ในาเหตุที่ด้นเด็งความทุกข์มมาครับตุใขาใเป็นความทุกข์ขมมานี่นั่นก็นเหมือนกันมีโอคมีความดับถ้าแกถูกนันมเมื่อแก้ถูกมันก็ดับแจ้แก้แือมาทางให้ดับทางให้ทุกข์นั้นดับ ก็ต้องตัดไปก็ต้องแก้กันท่านพูดอะไรว่าเป็นี่เลสทัานติดนันเป็นชาติติดไปขาชะลาไปดูขอนมีเหตุมาจากไหนเนี่ยใช่คือเป็นความทุกข์ชะลาคือความทุกข์ตาก็คือความทิดทุกข์สักพักก็ตายหวนอย่าันี้เป็นต้นไม่มาจากี่เลสท่าน ขั้ะขั้ปาร์ดานข้นดเต้นยปราข้าสรุปแล้วอันตาเป็นโทกอันแสดงถึงย่างทูกในอาวุธัตธรรมชาติกับวัตถุสุดหนึ่งสดแลวมมติยยี่หงข้อเป็นะไุก็คือสุดไม่โดยโยอาวสธศัต โดยจะข้ายงกันให้เลยเชื่อใทกันเรื่องการสร้างกันอันนี้ก็อันนี้เ็นทกแ่ว่านี่เป็นอันนี้โลกอดาพวกกันเ่นคุยลูกค้าสัครเยะเรียกกระจ ยาอย่ตัห้าปูน อ, อกิกามันที่ังการการะตากรตัดกระตายชนนินเรื่องอื่ที่ดังก า, า, า, าราขิานหะมอนี่เป็นเชิงไทยอืาอย่างโค้กปนอุก็คือุร ป, รอปกรณนี่ ร, ราโท ร, รเยอสัดจังดูตั๊กซ่าเยอะจนหาด้ะยเคื่องอุปกรณ์นี่ราโจากโนิสิตตนี้เรากูปฏงายอยู่ความหับตัดเจได้ซึ่งตัาหาทั้งสาม หมดความอะไรมันเป็ น, นโรคหรือเ่านี่เกรแสดงน่มากองลงมาส ม, ม, ม, มัยมัทพนแลที่สแสดงแหลนี้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในการในจิทั้งเราทั้ทงหมดเพราะฉะนั้นผู้เรียนทำจนเรียนทน้่ทุกขก็มีอยู่ที่นี่ สาเที่จะให้เกิดทุกข์มันก็มีอยู่ที่นี่วิทยุประเภทต่างๆเป็นพกนี้ทุกข์เกิดอีกที่นึงนี่ว่าความดับทุกข์ก็ดับกันที่นี่ดับทุกข์ด้วยวิธีการใดนักวิธีการนั้นคือมาร ก, ก็ดับด้วยวิธีการนั้นซึ่งก็อยู่ที่นี่หนะนี่เหลเรียันทำแท้ให้เรียนที่ตรงนี้ลองสังเกตพิจารณาตัวเองเราจะไปดูนอกเราทุกข์มาจากไห น, น จากู้จากเสียงจากสิ่งจากรถจากเครื่องสําคัสอันนี้ไปโดนอันนั้นเข้าก็อาจับเรื่องนั้นเข้ามากุ่มแต่มให้เกิดความม่นวายมันเป็นสัญญาอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องของมืท่านั้นแล้วก็ผลทุกข์มันมาถึงเวลาไปจิน้นาเรื่องเข้ามาเรื่องเข้ามาเรืสาเห็นเข้ามาโดยหลังนั่นก็ขาดไปขาดไปขาดไปผลดี่ท่านั้นก็เหลือเดียว แล้วจะจับสัมพันธ์เข้าไดูหน่อยในเรียนที่นี่ให้ดูที่นี่อย่าดูที่อื่นแม้จะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามอย่าลืมว่าที่ทํางานแท้คือที่นี่สถานที่ระดับหนึ่งสถานที่อํานวยความสะดวกให้เกิดการงานของเรางานของเราแท้คือที่จนาอายักษัดจะทำทั้งสิ เพียงสาลรมาหาอางตาตะโจมีผลงานแท้เครื่งพระพุทธเจ้าทรงประทานให้ใหทําให้งานนี้สําเร็จใหา ง, งานนี้สําเร็จแล้วผลเป็นเครื่องตอบแทนอย่างงานนี้ก็คือความพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าทั้งหลายสาวกทั้งปวงร่วมญาติตั้งแต่เรียนจบอธิยศาสตร์ซึ่งมีอยู่ในการในกิจของตนทั้งนั้น สามารถประกาศทำสองโลกให้ได้ด้วยความกล้าหาญและสามารถยังผู้อื่ให้เข้าใจกามได้โดยไม่มีความสงสัยเลยเพราะทำเป็นของอีกทุกข์มนเกิดขึนด้นที่ไหนกันบ้างที่ไหนเกิดมาจากอะไรให้ตั้งใจทำหน้าที่ของตนอย่าไปเห็นว่างานใด จะกระเสริฐเลื่อนโลกยิ่งกว่างานที่พระพุทธเจ้าประท า, านในนี้งานนี้แรงงานที่ทําพระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประสริฐได้เพราะงานเหล่านี้พระสงฆ์สาวกปกติดั่งเดิมมานั่งเดิมก็เป็นคู้ทีถ่องแบบกองทุกข์ด้วยอานาจของกิเลสผิดขึ้นมาเช่นเดียว ก, กันกับพวกพวกเราเร า, เร า, เรา ท, ท่านแต่ท่านเขาวิเศษเลื่อนโลก ได้เพราะงานที่ประพุทิเจ้าเป็นประธานเรื่งนี้มีเกีริสารุนมาลฐานตาตะโจเป็นต้นจึงเรียกว่างานชิ้นเอกผู้ใดเป็นผู้สนใจทำ ง, งานเหล่านี้เรียกว่าผู้ต้องการความเป็นเอกไม่มีอะไรมาเป็นคู่แข่งได้จึงเรียกว่าเอกคืออันเดียวเราคนเดียวไม่มีอะไรมามาแข่งได้ บรรดาพระสารททั้งหลายไม่มีท่านองค์ใดจะแข่งใครเพราะมีสภาพเหมือนกันหมดก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาแข่งอะไรเพราะเหมือนกันหมดแล้วจะแข่งกันหาอะไรถ้ายังไม่แน่ใจก็ต้องแข่งกัน hmm. เหมือนกันหมดแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะแข่งกัน hmm. นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาสินค้าว่าองค์สุดท้ายนัตติเซโยปาปิโ ย, วยความยิ่งและหย่อน แห่งความบริสุทธิ์นั้นไม่มีเลยนะฟังดิออกจากงานชิ้นเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้จึงเป็นงานชิ้นเอกแท้ทําได้ยากความยากนั้นเป็นเรื่องของของงานยาวจากถือวันความท้นขทุกข์พ้นก็ได้ด้วยงานเหล่านี้ มาใช้พลุกพลกได้ด้วยดืวยงนานที่จิตมันชอบมันนุ่งขอบความมุ่งาหวาดตัวเองอยู่เวลาที่มีเป็นสิ่งที่กิเลสชอบเรามันไม่มีอำนาจหนองกิเลสกิเลสจึงถุดลากเราไปให้ชอบแล้ เ, เพิ่มตามมันไปเนื่องจากผม เ, เป็นเคยเป็นศาสตราจารย์ของโลกมานานใครจึงไม่เห็นว่ากิเลสที่เป็นธาตุติดต่อตอนแม้จะเป็นธาตุติด ตรงไรก็ตามในทุกส่วนตแบบ่างก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภยัยเมือม่อเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภยัยเป็นข้าวสิ่งจิตมันก็ไม่ชนะมันก็ไม่สะดุดเมื่อไม่สะดุดแล้วก็เป็นความลืมตัวตลอดไปท่านจึงเรียกว่าโมหะโมหะคือความหลงกับสิ่งเหล่านี้แหละหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าโมหะมันหลงตลอดเวลา เรยวโมหะทางเข้าใจเมื่อได้ทำเข้าไปก็เหมือนกับได้เครื่องสอนทางเครื่องพิสูจน์ทำก็มีสติปัญญาเป็นต้นเข้าไปสอดสอนดูสิ่งเหล่านี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสอนไว้แล้วเราก็จะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยดังทำท่านสอนไว้ เมื่อเห็นว่าเป็นภัยแล้จิตใจก็สะดุดเมื่อสะดุดแล้วก็หาทางต่อสู้กั น, นเช่นเราทําความเพียรเพื่อรกิเหล็กก็คือการต่อสู้กับที่เหล็กนั่นเองการต่อสู้การนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นการกินมันต้องใช้กาลังวังชาเต็มความสามารถเหมือนกันเช่นเขาเล่นกีฬาไม่ว่ากีฬาประเภทไหนถ้าลงแข่งกันต่อสู้กันแล้ว ถึงจะเป็นคำว่ า, าเล่นก็าตามันทีถึงสลกตาได้ก็อย่างนี้มันหนักไนขนาด น, นั้นมันลำบากไหมมันเป็นทุกข์ไหมเพราะการต่อสู้ตรงนั้นแต่การต่อสู้ประเทหล่านั้นไม่เห็นมีความพิเศษพิสูจ์อะไรโลกยังชอบโลกโลกยังนิยมกันนี่แหละคือกิเลสมันให้นิยมอย่างหาสาระไม่ได้เลย แต่มันนิยมยังไงก็ต้องเป็นไปตามมันเขาจะหาสาระม่ไดมันก็มองถึงว่าหาสาระไม่ได้เพรกิเลสมันเกาะแต่ความทุกข์ความลําบากในการประกอบความภากเพียรเพื่อจะถอดถอนกิเลสขึ้นเป็นค่าสุดนี้กลับมาถือเป็นความลําบาก่การถือเป็นความลําบากเพราะก็ความลหลงกิเลสจึงมาถือการประกอบธรรมเพื่อแก้กิเลสนั้นมาเป็นความลําบากนี่มัน ซ้อนกันไหนขอให้ทุกท่านพิจารณาให้ดีเมื่อเป็นงนั้นมันก็อ่อนแอได้คนเราเพราะความเชื่อในกิเลสมันฝังใจความเชื่อในธรรมมี น, อน้อยทีนี้เมื่อความเชื่อในธรรมมีมากขึ้นเพราะการสังสมกามพยายามอยู่เสมอซึ่งเห็นผลไปโดยลำดับมีมากแล้วก็จะเห็นภยนัยของกิเลสประเภทต่างๆขึ้นไปโดยลำ ด, ดับลำดับ จนกระทั่งแม้มีนิดนึงก็เห็นความยากความลำบากเลยไม่ถือเป็นอะไรเลยเช่นเดียวกับเขาเล่นกีฬามีแต่ต้องการจะชนะท่าเดียวล้ม ล, ลุกคุกคลานเั็นขนาไหนมันปิ้งตัวไปได้เพราะกาลังของใ จ, จเจ้าชนะอันนี้กําลังของใจที่จะเอาชนะกิเลสมันก็เป็นลักษณะเดียวกันเอาทุกยากลําบากแค่ไหนไม่มีถอยหลังสุดท้ายก็ว่าขอให้รู้ขอให้พ้นอย่างเดียวเท่านั้น เรื่องเกี่ความทุกข์ความยากความลาบากแค่ไหนไม่เห็นมีความสัาพันธ์ใดเลยตายก็ตายถวายชีวิตไว้กับความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อชัชนะนเท่านั้นขออย่างเดียวคือต้องการชัชนะขอชัยชนะอย่างเดียวไม่ต้องกลับคืนมาให้ที่เหลือมันเบียบยั่งทําลายอยู่ในภพชาติต่างๆดังที่เคยเป็นมาแล้วนี้อีกเลยนี่นี่อํานาจของธรรมเมื่อเราสั่งสมเความมากย่อมมีพลัง หนุกทำมีพลังมากอย่างไรกิเลสย่อมอ่อนกําลังลงไปและยิ่งเห็นภัยของกิเลสขึ้นโดยลำดับและเห็นคุณค่าแห่งธรรมหาปริมาณไม่ได้เพงขนาดชีวิตก็มอบได้เลยนี่นีคือการชําระความหลงในตามกิเลสความหลงกิเลสโมหะแปลว่าความหลงก็หลงอะไรก็หลงอาการกิเลสที่ทสแสดงขึ้นกับตัวนั่นเองเห็นลูกก็หลงได้ยินเสียงก็หลง รูเครื่องสัมผัสต่างๆที่มาสัมผัสสัมผัสมีจะหลงไปตามมันทั้งนั้มีความหลงมันจะแดงตลอดเวลาเรายังไม่ทราบความหลงคืออะไรอยู่หรอือแล้วความรู้ไม่รู้เท่าตามเรื่องที่มาสัมผัสนั่นเกิดขึ้นภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อ ม, อมในขณะที่สัมผัสกันสัมผัสัมผัสกันถ้าสติปัญญามีจะต้องเป็นอย่างนั้นในที่ติปัญญายัางยังไม่พร้อมคื อ, อยังไม่นั้นก็ทราบไว้แต่ตามกันพิจารณาแก้ไขกัน หลายครั้งเราผมก็ขาดจากกันไปได้ด้วยอำ น, นาจแห่งความเพียนเพระาะฉะนั้นความเพียนประเภทเหล่านี้แหละคือความเพียนเพื่อความเป็นผู้เลิศเพื่อความเป็นผู้หนุ่มจิ๋วตามพระพุทธเจ้าประทานให้แล้วมีเกส ร, ารมานักขาต่างๆตะโจเป็นต้นนี่คืองานชิ้นเอกของนักโพสเราจะพึงเรียนจะพึงทําให้สําเร็จเมื่อสําเร็จนานนี้แล้วเป็นเอกไม่มีอะไรแข่งอีกแล้วในโลกนี้ที่เหลือตายไปแล้วจะอะไรมาแข่งการแข่งก็เรื่องของเดรัจ มันมีกิเลสแฝงอยู่ถ้ากิเลสหมดไปแล้วมันก็มีอะไรแข็งเอโกทำหนูมีทํำดวงเดียวคือใจที่บริสุทธิ์นี่ตั้งนานนะพูดถึงเรื่องรหรับธรรมธรรมธาติจริงแล้วคําว่าใจบริสุทธิ์ก็ยังเป็นสมมติอันหนึ่งเลยจากนั้นก็ไปให้เป็นสมมติยิ่งเข้าไปกว่านี้ก็คือว่าเป็นธรรมอันเดียวมาทำเท่านั้นพอนแล้วไม่ต้องปพูาอะไรอีกถ้าลงถึงขั้นบริสุทธิ์เนี่ย มาทำเดี่วพอแต่เมื่อท่าแขนเป็นสมมุติอยู่แล้วเช่นนี้จิตถึงต้องยกขึ้นมาเทียบเคียงกับสมมุติเหล่านี้ว่าเป็นจิตบริสุทธิ์จิตเช่นพระอ ร, ระนะหันต์เป็นต้นนะไม่เชื่อว่าพระอรหันต์ตางจากคนธรรมดาเพราะมีท่ามีแันนี้เครื่องสมมติเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันเป็นเครื่องเทียบเคียงกันคำว่าอรหันต์จึงต้องยกขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเทียบเคียงกับโลกว่าอรหันต์เนื้อกว่าจิตทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจิตของพระอรหันต์เนื้อกว่าจิตทั้งหลาย เหล่านี้อะไรอย่างนั้นผมหมดปัญหาของสมมุติมีขันเป็นต้นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกต่อไปโดย่งา น, นงานเหล่านี้พระพุทธเจ้าทำสำเร็จสามพุาธมหาทํา ำ, ทำทเร็จท่านเป็นคนเหมือนกันกับเราและเคยหาคามกิ่เหลือมาเต็มกําลังเช่นเดียวกับเราเห็นได้เราทึงทำไม่ได้ท่านทําได้ทําไม่ได้เพราะเหตุไรก็ทำไม่ได้เพราะอำาะนาจพิเรศมันเหนือของพวกเราเราเคอยพิเรศมากกว่าทำถ้าเคารุษทำ มากพอพอกับจิเลศหรือเหนือจิเลศแล้วี่เลศจะอยู่ไม่ได้เลยแล้ว ม, มีที่อยู่ขาดก็เดินไปนหมดนี่ก็เพราะเอเรานับถือมันเมื่อขาดความนับถือแล้วนองสาบแช่งนบีด้วยทำลายกันด้วยแล้วมันจะอะไรมั น, มนจะยกครอบครัวไปไหนไม่พอใจที่จะมาสร้างบ้านเรือนอยู่ ใ, ใจเต่อไปอืมอะมันหนักแน่นขึ้นไปดีนักโทษต่างหน้าต่างตาทุจริต เกศาลงมานะขะาันตปิจโญเป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดเวลาเหตุใดลราพิจารณามันไม่ถึงความจริงสักทีก็เพราะกิเลสพาพิจารณาทําพาพิจนาเขาจริงแต่กิเลสมันถุดไวถุดไวเวลาเราตั้งท่าพิจานาแล้วพอตั้งทากิเลสมันก็ตั้งท่าแล้วเหลือมันกล็ลาออกไปซนะมสมนั้นโสมนี้ต่อยงานไปเชืยองานเกศาเขาัม่ทรบไปยังไงลงมานะขาธันพาปาิจโจไม่ทราบไปยังไง ดีนาเรื่องทุกครั้งระยะอทุกครั้งในจางนัตตาก็ไม่เรื่องไปที่อะไรก็ไม่เรื่องไปเที่ทยงเพราะกิเลสมันไม่พาให้ได้เรื่องนอกจากทำเท่านั้นจึงพาให้ได้เรื่องเรื่องความจินทั้งหลายที่มีอยู่กับตัวของเราทั้งกายทั้งจิตเป็นความจินทั้งหลายแต่เรื่องของกิเลสเรื่รูปคําตาเกิดตายกิดตดลอดเวลานี้ไม่้มีอะไรได้สาระอะไรหนึ่งถ้าทํา อย่างไปตรงไหนมันก็เห็นความจริงขึ้นมาที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นจึงสามารถผ่านพ้นไปได้ขอให้จริงให้จังเลยมันดูหมู่ดูก้อนมันก็เราหนักใจนะมันไม่ค่อยจริงค่อยจังจังวันหนึ่งเป็นแม้แต่สั่งกับอยากพูดสั่งเสียอะไรแบบด่ามันยันเคื่อนยังข้ามไปเลอะเลอะเถิดเถไปนี่เป็นการสอให้ถึงความจงใจความจริงใจของพวกเราปฏิบัติของผู้มาอบรมศึกษากับเรา อย่างชัดเ่เนี่ยทำให้เกิดความวินาศราใจว่างั้นฟังมันถึงใจพราะพูดผูพด้พูดออกมาแต่ละประโยคแต่ละคำสั่งเสียไรนี่พูดออกมาอย่างถึงใจกำหนดทุกระยะที่พูดัวเห็นนี้เองจึงไม่ไหวัน่นเกี่ยวกับโลกยกตัวอย่างเป็นประเทศเช่นก็ว่าหลวงตาบัวหรื อ, อยะหมาบัวนี่ดุลั่นโลกนี่วาเราไม่เคยสนใจเพราะเหตุอะไร เพราะว่าจะดีก็ดีจะดุก็ดีเราพร้อมจะเหตุผลทุกอย่างแล้วที่ควรจะดุที่ควรจะดีการพร้อมจะเหตุผลด้วยเหตุผลนั่นคือธรรมนี่งานและการจะเปไหวกับทำไปตามเรื่องของการทำนิติเจียนของโลกซึ่งเป็นโลกธรรมหาอันไหนเล่าอันเราเชื่อธรรมก็พิจารณาตามหลักธรรมโดยเหตุดูทางเหตุตามผลมาพี่ดำเนินตามตามเหตุตามผลแล้วมันจะผิดไปที่ตรงไหนือ เขาตีเลปังปังปังนั่นพุ่งนาวันทอะไรก็ถามว่านั่นเขาตีเหล็กเขาตีอะไรน่ะยังปัปงปังงน่ะไม่ทราบบางคนม่ราบบาคเขาตีเหล็กนั่นน่ะเรายกออกมาสอนคนเห็นไหมน่ะเหล็กที่แรกมันเป็นเหล็กแข่งเหล็กท่อนนั่นเามาตีแทบลมเถ็ดตายยิงใไหม้ังปังปังปังปน่จนจะหมดกำลังตายอยู่นี้เมื่อมันตีเขาอุตส่าห์ไตลงขนานั้นมีแต่เลี้ยงขวานแต่เล่น ต้องผ่านนายช่างมาอย่างโชคโช่วมันถึงมากลายเป็นมีเป็นขวขึ้นมาใช้การเจรมาได้เหล็ก ท, ทั้งท่อนออกมาเป็นมีเป็นขวานได้อย่างไรกันมันต้องผ่านนายช่างมา ก, ก่อนผ่านฟืนผ่านไฟตอนนั้นมันชุบมันตีมนรุ่งไปหมดแล้วเราจะสอนคนให้เป็นคนทั้งคนแต่ละคนทั้งคนแต่ละคนละคนทําไมจะไม่มันมีเสียง แต่เขาตีเหล็กมันมีเสียงเขาถักไม้มาทําบ้านทำเรือนเขายังมีเสียงใช้กบมันก็ยังมีเสียงตีตะปูมันก็มีเสียงอืมแม้ที่สุดผสมปูนมันก็ยังมีเสียงเขาจะสร้างสุขสร้างบ้านสร้างเรือนน้อยใหญ่มันมีเสียงทั้งนั้นเห็นใดเราจะสร้างคนให้เป็นคนสร้างพระให้เป็นพระทั้งคนทั้งองค์นี่มันจะไม่มีเสียงอเสียงดุเสียงดาว่ากาลสั่งสอนต่างๆนั้นแหละ คือเสียงที่ทําคนให้ดีเหมือนกับนายช่างเขาตีมีดเขาสร้างบ้านสร้างเรือนก็มีเสียงเสียงก็จะสร้างบ้านสร้างเรือนเป็นตึกเป็นบ้าขึ้นมานด้วยความสวยงามนิ่มั่นคงนี่คืเสียงกันแนะนำสั่สงสอนพระเจ้ากงวันทั่วโลกทิ้งแต่นี่ขหะปักขะหะการสรรเสริญเยนยอกับการดูด่าว่ากล่าวถูกเขียนเลืออเปริห์เป็นของคู่กันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจะให้แยกไปไหนถ้ามาไปตามหลักธรรมนี้ วันดีต้องดีวันดุต้องดุด้วยเหตุผลเนี่ยแล้วจะแยกไปไหนอีกใครจะตำหนิก็ตำหนิไปที่ใครจะชมก็ชมไปปากของเขาลิ้นของเขาเรื่องหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติธรรมให้เดินแนตามธรรมนี้นี่นี่คือหลักดำเนี่แล้วเราก็เหมือนการผู้ปฏิบัติแต่และองค์ละองค์ให้ถือหลักธรรมเป็นเกณฑ์อย่าเอาโลกมาเป็นประมาณนั้น น, ะน่กถ้าับไปจากเหตุผลแต่สิ่งใดที่เป็นด้วยเหตุผลให้ถือเข้ามาเป็นธรรมะ เป็นค่าติเครื่องเตือนใจตนให้ได้ผลได้ประโยชน์จากสิ่งที่มาสัมผัสภายนอกจากภายนอกหรือภายในในอารมณ์ของใจอุ้มก็ตามมันคิดเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องดีก็เป็นมากไปถ้าเรื่องไม่ดีก็เป็นสมุทัยแก้อาการเอาที่จิตอุปปัฏฐาประเสริฐเพราะอะไรจริตภสษาวกรฐารท่านประเสริฐเพราะอะไรธรรมะจะเพราะความเพียนความเด็ดเดี่ยวอานหาร วิริยสติสมาธิปัญญานะีอินสี่ห้าปนะระมาณภะห้าภระภาระกําลังห้าศรนะัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรนะัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรสรัทความรู้ลึกรู้ตัวความแม่เผอสมาธิความเหนียวแน่นมั่นคงต่อหน้าที่การงานอันเป็นต้นหตจากนั้นก็เป็นสมาธิตัวผลขึ้นมาคือความมั่นคงของจังแรกที่เป็นเหตุก็ มีความมั่นคงทางด้านปฏิบัติคือหน้าที่การงานของตนภาพเพี่ยงเต็มที่เดมเต็มแดดด้วยความมั่นคงของใจนี่เป็นสมาธิฝ่าเหวิสมาธิฝ่าผลก็คือความมั่นคงของใจที่ตั้งแนว อ, อารมณ์ไม่ก่อควรได้อย่างงา่ายเหมือนแต่ก่อนมาเนี่ยปัญญาพิจนามทะลุ ป, ปุ่มผมกันหมดทียพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ใครโง่นี่นะศาสนาไม่ได้ออกมาจากคนโง่พราพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่ คนที่ฉลาดที่สุดแหลมคมที่สุดสามารถเป็นครูได้ในโลกทั้งสามไม่มีใครจะสามารถเหมือนพระพุทธเจ้าเลยถ้าเป็นคนโง่จะสอนโลกในทั้งสามเลยที่น่าสอนโลกได้ขนาดสามโลกกลามโลกโลกโลกอรุปรโลกสอนได้ทั้งนั้นเราไม่สามารถแม้แต่สอนตัวเองยังยังไม่ได้เรื่องคิดมีมันผิดกันไหมกับพระพุทธเจ้า นั่นแหละทำที่ออกมาออกมาจากท่านพู้ฉลาดปัญญาคือความเฉลียวฉลาดแหลมคมเจตคติเลี่ยดสามารถได้เพราะอำนาจของสติ ป, ปัญญานี่เท่านั้นเป็นสําคัญเวลาคำนึงถือข้ออันนักแน่นในสติ ป, ปัญญาอย่านอนใจภาวนาคอยจะให้จิตสงบให้จิตสงบด้วยความขี้เกียจหาความสงบไม่ได้นอกจากรับครอบครบนะั้นความสงบด้วยอํานาจของความเพียรก็ต้องมีสติประคับประครองหรือเป็นเจ้าหน้าที่บงการอย่างนั้นจิตจึงจะมั่นคงแน่น ปัญญาแบบยา ม, มัตระว่างนั่นจะเป็นสมาธิได้ยิ่งทางปัญญาแล้วพิจารณาสอดสองมองทะลุไปไหนได้หมดอานาจของความเพียรแน่หอนที่พิจารณาแล้วพิจารณาแล้วมันก็มีความคล่องตัวไปทุกสิ่งทุกอย่างที่แรกตรกร้ขของรู้มุขการเพราะไม่ชานาญทำหลายครั้งแล้วหไปก็ชานาญคล่องตัวคําว่าปัญญาจะหมุนติ้วเลยเหี่ยที่จะบักปัญญาเป็นามหรือมหาสติมหาปัญญ า, าอาาปปาญญาอกจากความ ร, มขขารู้มุขการในเบื้องต้นแคก่อนมาพิจารณาไปพิจารณาไป คลองตัวกไปคล้องตัวแล้วก็หมุนตัวไปเองหมุนตัวไปเองเรียกวอัตโนมัติหรืออัมิติหรืเรียกว่มหาสิมหาปัญญาเมื่อถึงขนาดนั้นแล้วกิเลสตัวไหนมันมีแตพ่พอที่จะพังลงทั้งนั้นเมื่อสติปัญญานี้เข้าถึงจุดไหนจุดไหนเป็นพันงลงไปพังลงไปสติปัญญาประเภทนี้เป็นสติปัญญาที่กวาดกว่าดล้างอืสติปัญญาที่กวาดล้างคือประสติปัญญาประเภทนี้ในภาคกังกังนั่ อ๋อเกิดนี้ก่อนเอาท่านปัญญาอธิบายหน่อยพ้่อน